ต้นๆสำหรับเดือนพฤษภาคมวันนี้เป็นเวทนานุบัสนามาอุติปทานแต่ก็ขบรนดายญาติโยมทุกคนเที่ยวนี้นะแย่คิดว่าพูดตลอดเวลาอันตรายที่เกิดร่างกายมีสองอย่างคือไอกับอาเจียน <c oughs> ถ้ามันผูกมาเวลาไหนก็ต้องอย่ดเวลานั้น เมื่อการอะไเป็นกรรมถานในมหาเทวทานสนูตรวันนี้เป็นเวทนานุปัสนาเนื้อแท้จริงๆเนืเวทนานุปัสนานก็ดีจิตตานุปสนานก็ตามเป็นกรรมฐานเจ็บเล็กเจ็บน้อยส่วนใหญ่จริงๆก็คืออาณาบาลนุสติกับกายญาตานุส ต, ติท่าจตุท่าประธานสี่ ความสำคัญอยู่ที่ตรงนั้นนี่มันเรื่องเวทนาเวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์ท่านบอกว่าอารม์มีความสุขก็รู้ว่าเรามีความสุขอารมณ์มีความทุกข์ก็รู้ว่าเรามีความทุกข์ได้ อารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆมีไหมมีนะต่อไปที excited, ่เราบอกว่าอารมณ์ที่มีความทุกข์ประกอบด้วยอาหมิตก็รู้ด้วยว่าอารมณ์ที่มีความทุกข์ประกอบด้วยอาหมิตรเมืออารมณ์ที่มีความสุขประกอบด้วยอาหมิตรก็ทร่ว่าอารมณ์ที่มีความสุขประกอบด้วยอาหมิตร อารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกประกอบด้วยอามิธก็ทราบว่าอารมณ์ที่ไม่สุขมัทุกประกอบด้วยอามิธหรือว่าอารมณ์ความสุขด้วยความทุกข์ที่ไม่ไประกอบด้วยอามิธก็ทราบก็ลองความเอาจิตสติเข้าไปรับทราบความรู้สึกของใจอารมณ์นี่คือความรู้สึก ข, ของใจพูดภาษาไทยๆชาวบ้านเนาะฟังง่ายดีความรู้สึกมันเป็นสุขหรือความรู้สึกมันเป็นทุกข์ เรื่ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกขคืออารมณ์สบายมีความเยือกเย็น <c oughs> ต่อมาจะบอกว่าอารมณ์สุขและอารมณ์มทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกขมมม์มีอมิตรไม่มีมิตรคําว่ามีอมิตรหมายถึงมีสิ่งของมีความสุขเรื่องการได้เงินได้ทองได้ของใช้การมีความสุขเรื่อการได้บุคคลที่เราพอใจหรือสัตว์ที่เราพอใจอย่างนี้เรีย อ, อมิตร มีความสุขอามิตรหรือว่าความทุกกายทุกใจมาจากคนมาจากสัตว์มาจากวัตถุนี่เรียกว่าอามิตรเหมือนกันแล้วความสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจไม่สุขไม่ทุกมาจากสิ่งที่เฉยเฉยไม่มีบุคคลไม่มีวัตถุไม่มีสัตว์เข้ามาประกอบแปรลมเลยลอยยันนี่ถือว่าไม่มีอมิตรอมิตหมายถึงสิ่งของวัตถุหรือคน อา ใ, ใจไหมเา ใ, ใจนะไม่อยากขอที่เาอยากกระรงความว่าท่านเตือนให้รู้อารมณ์ของจิตความจริงสติเราจะมีการเผยไปขอนธรรมดา่า้ใช้กำลังของสติสมัจัญญา ว, ว่าเวลานี้มันสุขหรือมันทุกข์สุขเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรหรือไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ขอพูดยอดไปหาต้น ที่บอกว่าเวทนานปัจนาเป็นกรรมฐานประกอบหรือว่าเป็นรรมฐานซ่อมเล็กน้อยพอสมควรเนื้อแท้จริงๆก็คือกายยะคตาเนสติเนียกายานุปัจนาหือว่าถ้าตสตัวสําคัญที่มีกําลังจริงๆก็คืออนาปานุสติทั้งสมได้การต้องยืนโรง ิตเจริญจิตาตามนปสัสสนายก็ตามเมตนานนปสัสสนายก็ตามธรรมังปสัสสนายก็ตามแต่ว่าสามหมวดที่ต้องยืนตัวต้องขึ้นต้นก่อนการขึ้นต้นครั้งแรกก็อนาปานสติกรรมฐ า, านอนาปานสตินี้แบ่ตัวกำลังคือสามารถทำจิตเป็นสมาธิด้วยาญสมาบัติอย่าลืมนะอย่าลืมมาเจงนะ ว่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นการระับความฟุ้งซ่งของจิตอันนี้มีญาติโยมถามเมื่อที่แล้วเส่งจดหมายก็มาถามว่าเจริ้มหาเิวฐานสูตรไม่มีภาวนาจะใช้ภาวนาด้วยใดไหมก็ต้องตอบว่าได้ ถ้าจิตมีความสบายใจรั่งภาวนาให้ภาวนาได้เลยไม่มีอะไรเสียผลม่ได้เพิ่มผลขึ้นมาอันดับแรกตัวยืนตัวเมื่อจะจรนำกำถานกองอื่นก็ตามเราก็ต้องใช้ลมห า, ออม า, มลายใจเข้าออกเหมือนกันนี่เวลาใจเข้ากำถานกองอื่นล้วก็ภาวนาตามให้ใจออกก็ภาวนาตาม ม, มหาติฏฐานในสูตรแต่าสูตรนี้ท่านสอนเฉพาะสุ ข, ขเกสโกการปฏิบัติจะไม่มีอะไรมากนะักทรงตัวง่ายๆแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่สูงมากเป็นหลักสูตรเฉพาะพระอนาคามีมกับพระอรหันต์ดังนั้นจะนสูตรนี้จําต้องคิดบ่อยๆพระเจ้าบ่อยทำเรื่อง ตอนนี้ใจยนยกไว้นะก็ขอที่ใบานาฟานมรติให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้ า, ใ ห, ใ, ขาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกอย่างนี้เป็นอย่างหยาบให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้ละเอียดลงถ้าอยาภาวนาด้วยภาวนาว่าอย่างไรก็ได สมมติว่าภาวนาวาัคคตโธเป็นพุท ธ, ธานุติกรมฐานถาว่าเข้ากันได้ไหมแลต้ตอบว่าของพระเจ้ า, าทุกอย่างเข้ากัได้หมดให้ใจเข้านึกวัคคตจะออกนึกวัคโทก็ได้เลยถ้าสัมมาระหังก็ได้อะไรก็ไดทุกอย่างไม่ห้ามนี่ในเมื่อเรารู้คำภาวน า, ารู้ลมไม่ใจเขาออกขณะใดที่จิตรู้อยู่ ขณะนั้นชั่วจิตเป็นสมาธิกําลังเขาสมาธิย่อไม่เสมอกันแต่ว่าในมหาเทวทังสุดถ้าไม่แยกสมาธิไว้ท่านใช้ตั้งแต่คติกะสมาธิเป็นสมาธิเล็กน้อยไปเลยกรรมฐานสี่สิท่านแยกไปกรรมกรรมเดวสมาธิเล็กน้อยสมาธิไปกลางแล้วสมาธิขั้นชัน ชั้นหนึ่งสองสามสี่ก็แยกอีกสําหรับบทนี้ถ้าไม่แยกก็คอยพูดตามบทนี้หายใจเข้าเรารู้หันใจเข้าใจออกรูใจออกจออกิตเป็นสมาธิพราวสมาธิแปวาการตั้งใจตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกถ้าภาวนาด้วยก็ยังดีอันดับแรกพยายามทรงอารมณ์ให้รู้ลมเข้าลมออกก่อน ด้วยวนาด้วยเราภาวนาด้วยก็ได้อย่าพึ่งไปนึกถึงอย่างอื่นให้จิตสรงตัวทําเรื่องให้จิตเป็นสุขอย่าบังคับลมหายใจเข้ออกอย่าบังคับอาการหายใจให้ยาวและสั้นให้เบาให้แรงปล่อยลมหายใจไปตามปกติของร่างกายทําจิตให้เป็นสุขไว้ใจอย่างขนาดไหนก็ตามแล้วต้องการแค่รู้อยู่ ทำไปอย่างนี้แบบสบายจิตไปเียรเดียวจิตจะเริ่มเป็นสุขหมายความจิตเริ่มไม่กังวลลมหายใจเริ่มสะดวกขึ้นธารมนาถ้ามีก็สบายขึ้นจิตโปร่งขึ้นมีความสบายใจตอนนี้ถ้าเรียกว่าเข้าถึงอุปจาระสมาธิแต่ในหมดนั้นตืฐานโี่สวธรริบายพอจิตเริ่มสบายเปิดลมสบายไปตามอารมณ์ จนกว่าถึงที่สุดของอารมณ์มันว่าเรื่อมงมันเครื่อนครายอารมณ์สบายอีกเรื่องจะคิดก็เข้าไปจากกาับกายกายกายิตานุสติกับธาตุสี่รวมกันนี่เป็นตัวยืนที่ไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งสามอย่างเป็นตัวการของอนนาคามิระอรหันจาับ ก, กายกายิ่งตานุสติไม่ต้องไปคิดแกการสันทิปสอง จับรวบยอดคือร่างกายมันจะมีกี่อย่างช่างมันเป็นแนวทางการปฏิบัติถ้านักประยัตต้องท่องเนี่ยใช่ไม่คุยกันท่องไม่คุยกันไม่จะท่องไปทำนักปฏิบัติเห็นสิว่านี่คือร่างกายร่างกายมีอะไรบ้างมีกี่อย่างก็ชา่าแต่ว่าร่างกายจริงๆมีสี่อย่างรือธาสี่ ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุดินคือของแข็งในการหนังเนื้อเช่นเองกระดูกเป็นต้นนี่คือธาตุดินธาตุน้ำคือน้ำลายน้ำมูกน้ำเหลือดน้ำหนองเป็นต้นคือธาตุน้ำธาตุไฟคือความร้อนร้อนในร่างกายธาตุลมคือการหายผันไปมาสรุปแล้วธาตุทั้งสีที่ประกอบกันมาเป็นร่างกาย ไม่มีอะไรดีนั่นเต็ไมได้วยความสกปรกโสโครกต้องชาระล้างอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ชาระล้างขนาดไหนก็ตามร่างกายก็ไม่สะอาดมองในด้ความไม่สะอาดก่อนก็ได้ตอนต้นนี้แปล ง, งเขาว่านาคามี์แต่ถ้าไม่สะอาดสกปรก ค, ความเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้น อานาคา ม, มีเกิดขึ้นแําเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายเกิดจริงๆริงยังจังแล้วมีสันเขาเกิดขายาันร่วมจะเป็นอานาคามี่าตามแบบไปก่อนอันดแรกพบเห็นว่าร่างกายสุกภโโูเขาไอ้ความสุกภูของร่างกายมันเห็นมั่งไม่เห็นมั่ ง, งบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นเป็นขอธรรมดา แต่นนในไหนรู้สึกความสมบของร่างกายเกิดขึ้นก็ถือว่าเมื่อจิตสะอาดเราอเวลาใ น, นจิตเริ่มสอาดลงเวลาไหนจิตเลยไม่เรื่องของจิตเป็นของธรรด า, า, นานต่อจากสุกปรกร่างกายยังไม่ทรงสงภาพไม่มีการทรงตัวจริงคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเปลี่ยนแปลงที่แก่ไปทุกวัน มีการป่วยไข้ไม่สบายมีการรัดร่ราจของรักของชอบใจมีความตายในสุดก็เป็นจุดที่สองนีง่แหละคนจะเบื่อร่างกายนอกจากสขปรกมันยังไม่มีการทรงตัวแก่ทุกวันป่วยด้วยท้าะที่สุดก็ต้องตายไม่มีประโยชน์ในการบา ร, รุงร่างกายที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเธอหญิงกายภายในและกายภายนอก เห็นกายภายในด้วยกายภายนอกด้วยทั้งกายภายในและกายภายนอกด้วยนั่นหมายว่าเห็นกายของเราว่ามันสศกรปรมันไม่มีการทรงตัวสลายตัวในสดหน้าเปลือเห็นสภาพกายคนอื่นก็มีสภาพเช่นเดียวกันนี่จุดเบื่อขั้นก็นาคามีแล้วมาก้าวไปอีเบื่อหนึ่งอีเบื่อหนึ่งก็คือเวชนานุปสนา นอกจากร่างกายมันจะไม่ดีแล้วถ้าสีไม่ทรงตัวมีการเสือ่อมไปธรรมดาอารมณ์ของร่างกายก็ยังไม่ทรงตัวอีกเลีนาคือการสวยอารมณ์คือความรู้สึกทุกอย่ง่ายหรือแปลไม่ออกดูคนยาเขาฟังดิ้นเลทนาคือความรู้สึก เสี้ยงเด็กความรู้สึกของเราว่ามันมีสุขด้วยมีทุกข์ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์มันจะไม่เสมอกันตลอดวันบางครั้งตื่นนอนเช้าอาจารย์โปรง่งจิตใจสบายมีอรมณเป็นสุขบางทีตอนสายหน่อยใจไม่สบายมีอรมณ์เป็นทุกข์แล้วบางครั้งจิตไม่ประกอบด้วยความสุขจิตไม่ประกอบด้วยความทุกข์ คิดเม่ร่มโปร่งเฉยเหมืนัานาดที่เราว่างงานนั่งเล่นเฉยๆไม่คิดถึงการงานทั้งหมดใน่คิดนึงทรัพย์สินมีคิดถึงใครแต่ใจสบายปอดโปงมันหมายถึอเนินชาพิสังขารโอ่งถึไปใหญ่หด่น<ฮ>ตัวที่ตัอเนินชาแหละแต่อเนินชาเล็กจะเป็นธรรมานม่คล้ายกันนะแล้วต่อมาเราเห็นว่าจิตเป็นสุขก็มีจิตเป็นทุกข์ก็มี จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีแล้วก็จิตมีความสุขเพราะอาวิชเกี่ยส okay. ิ่งของบุคคลนัว่าสุขก็มีจิตมีความสุขก็ไม่ใสยสิ่งของไม่ใส่บุคคลก็มีจิตมีความทุกข์เพราะใสบุคคลแล้วไม่ใสยบุคคลก็มีรวมความว่าจิตไม่มีการส่งตัวคืออารมณ์ขอเราอารมณ์เพราจิตไม่มีการส่งตัวเดี๋ยวมันเกิดสุขเดี๋ยวมันเกิดทุกข์เดี๋ยวมันสบายใจ เขาพูดง่ายๆต่อมาก็หวนกลับกันมาที่เราเป็นอย่างนี้เพราะใครใครทาให้สุขบ้างไม่สุขบ้างแทนทุกบ้างไม่ทุกบ้า ง, า ง, างถ้าใครทำให้รุน่างบ้างใครเป็นตัวเหตุต้องหายเหตุตัวเหตุจริงๆคือตัวเกิดเห็นไหมถ้าเราไม่เกิดแล้วเกิดก้มีอะไรเกิดมีแด้จิตก็ไม่ได้เกิดนะ ไอ้ตัวเหตุตัวต้นคือตัวเกิดเกิดขึ้นมีร่างกายเรามีสารความสุขอย่างนี้มีความทุกข์อย่างนี้ไอ้จิตตัวนี้เพราะอาศัยร่างกายเป็นเหตุเวลานี้เรามีความสุขเพราะความอิ่งเพราะร่างกายมันอิงต่อไปถ้างหารร่องเกิดความหูวหิวเพราะใครหิวร่างกาย หิวอารมณ์เป็นทุกข์สุขอารมณ์อิอ่มอารมณ์เป็นสุขเทเป็นสุขอย่างนี้เป็นทุขอย่างนี้เพราะใส่ร่างกายถ้าร่างกายไม่อิม่มเราก็สุขร่างกายไม่อยู่ก็ทุกข์เราสุขเราทุกข์เพราะร่างกายอมาอารมณ์ที่เราเสียอารมเร า, เราเดีก็เพราะร่างกายเพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ อาการความหิวจะเกิดขึ้นไหมความหนาวหรือความร้อนจะเกิดขึ้นไหมอาการป่วยไข้ทั้งร่างกายจะมีไหมถ้าเราไม่มีร่างกายทัจะเจตคติจะไม่มีหมดครงความรู้จ้าที่บัดจงเห็นร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีจะเห็นทั้งร่างกายเราทั้งร่างกายเขาที่มันมีอารมณ์เป็นสุขบ้างมรมณไม่สุขบ้างไม่สุขไม่ถุกบ้าง หรือมีความสุขมีความทุกข์ไปสุขไม่ทุกข์เพราะอามิบังไม่ไม่อาศัยหมิบังเพราะอาศัยความเกิดคือร่างกายเป็นเอตุท่านบอกว่าเธอทนายจงยันยึดถือร่างกายของเราจะยึดถือร่างกายของคนอื่นจะยึดถือสิ่งนั้นทุกสิงทุกอย่างในโลกรู้เบื่อมันจกี้น้มันทุกข์เพราะร่างกายเราเบื่อในร่างกายแปรลมก็อนาคามี ต่อไปทรงใช้พลายร่างกายเราก็ดีร่างกายของเก็ดีมันไม่มีอะไรดีทั้งหมดถ้าไป็กิจอยา่จะได้มันต่อไปใหญ่จะเกิดอย่างนี้ต่อไปดีชาติมันก็ทุกแบบนี้มันต้องเกิดมีความสุขต้องเกิดมีความทุกข์บางครั้งก็ไม่สุขไม่ทุกข์บางคราวต้องอาศัยอามิตรบางคราวก็มาอาศัยอมิตรอามิตรคือสิ่งของที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งของร่างกาย ต้องมีอามิ้คือสิ่งของอย่างหนึ่งก่อนอื่นเชื่อผ้าต้องมีนุง่งอาหารต้องมีกินสตังต้องมีใช้บ้านต้องมีอยู่ทั้งหมดนี้เราจะหามาได้เพราะร่างกายแต่หามาเพราะความทุกข์ก็มีร่างกายเป็นเหตุอันดับแรกพระเจ้าให้สร้างความเบื่อเขาลงวนาคารีถ้าเบื่อจริงๆเนะี่ย ถ้าว่าเจ้าเบื่อเอา เ, เอาค่อยเบื่อกว่าดีกว่าไหมนะเนี่ยเบื่อเบาๆก่อนฝึกการเบื่อเบาๆอย่าเพิ่งเบื่อทั้งวันเดีวใครจะเบื่อตอลอดกายก็ได้ไม่ว่าเนะี่ยวิที่ฝึกเบื่อเบาๆหมายความแช่ลมสงบคําว่าสงับไม่ต้องใช้ไม่ใช่หมายความเวลาเด็กเสมอไปเวลาที่เราว่างจากงานเราว่างจากคนว่างจากประตนั่งเล่นสบาย ใช้เวลาแค่สองสามนาทีเป็นอย่างมากนั่งคิดถึงความทิ้งร่างกายของเรานี้มันเต็นสแล้วเป็นทุกข์ความแก่หน้ารักแล้วหน้าเบื่อความป่วยไข้ามาสมบายหน้ารักแล้หน้าเบื่อความรักแรกของรักของชอบใจเึ็นหน้ารักแล้วหน้าเบื่อความตายเข้ามาถึงหน้ารักแล้หน้าเบื่อ อรมณจิตเป็นทุกข์หน้ารักก็น่าเบื่อเป็นสุขว่าใสาสิ่งของหน้ารั ก, ก็น่าเบื่อว่าตุธาตหาไม่ได้มากอะไรก็ตามทีท่าตายก็หมดสิทธิในการปกครองทรัพย์สินต่างๆเป็นของอื่นไปหาเกือบตายบางคนหาด้วยทางทุทจริตเป็นเหตุให้ลมนรกก็เยอะแยะไปตายไปแล้วก็เมฆคลองทงอรัพย์สินก็เลยครองแทน ครื่ความทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายไป็นขอหน้าเบือ่เอเวลานั้นให้เกิดความเบื่อสักนิดหนึ่งสักสองนาทีนันหนึ่งนาทีก็พอเลิกจากนั้นมันก็ไม่เบือ่อแล้วต่อไปสองสวันหวันวันนึงสัปดาห์ที่หนึ่งสองอาทิ์เกิดเบือเบ่ออีกหน่อยเบือ่อคระนิดเดียวให้มันเบือ่อจริงๆให้เห็นจริงๆนั้นมันก็เลิกเบือ่อทําอย่างนี้บ่อยๆ เขาแค่เบื่อนะทําอย่างนี้แบบถ้าอารมณ์มันเบื่อจริงๆเ้าแค่นิดแค่น่อยเพียงเท่านี้ก่อนที่ท่านจะตายอารมณ์นิพพ ย, ยายนี้เคยกับท่านเวลานั้นทุกเวทนามันหนักรงความเบื่อในร่างกายจะเกิดถ้าความเบื่อเกิดเฉยๆเวลานั้นท่านเป็นพระอนาคามี ตายจากความเป็นคนเป็าานเทวดาแล้วเป็นผมไม่ได้กลับมาอีกเป็นตีตัวต่อปฏิพันธ์แต่ว่าทุกคนที่นั่งในมใชย์คนโง่คนที่จะเจริญกรรมฐานคนตําต้นเป็นคนฉลาดถ้าเอ่ยแกล้งชมนะเพราะว่าไม่ได้โฆษณาให้มาท่านมากันเองมาทํามุลเองแสดงท่านมีความฉลาดพอถ้าไม่ฉลาดก็ไม่จเจริญกรรมฐาน นี่คนจเจริญกรรมฐ า, ามมนนี่คนเจริญก็ไม่ยักยั่งใจแค่แค่นิพิทายานแค่ความเบนะื่อหน่าเพระเาะว่าเจ้าสอนอสิจธิ์ตาณสูตรสอนทั้งสองขั้นนิพิทายากับสังขารเปรายญานั่นบอกจงเห็นร่างกายตนเองด้วยเห็นร่างกายคนอื่นด้วยว่าเป็นของหน้าเบื่อ ใจอารมณของใจของเราก็เหมือนกันของเขาเหมือนกันเลยขอเน้อเบื่อสุดบ้างทุกบ้างไปสุดบ้างไปทุกบ้างตอนเบื่อตอนนี้ไปรม์เขาบ้านนายถามเลยต่อไปก็ท่านสอนต่อไปว่าเธอทำหลายโจทย์ายึดถือร่างกายของเราเอาแล้ตรงนี้อย่าสนใจอย่ายึดถือร่านกายของเราอย่ายึดถือร่างกายของคนอื่นจจอย่ายึดถือต้นร่างกายของเราทางด้านของคนอื่น ในความหมายข้อที่ท่าชีวิตมันเป็นอยู่ยึดถือได้ตายความรู้สึกเกิดร่าถ้ามันตายก็ค่อยตายเป็นครั้งสุดท้ายความเนร่างกายนี้จริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามนันเป็นแค่ธาตุสีและธาตุน้ํำธาตุดินธาตุดมธัตุไฟเข้ามาประชุมกัน <c oughs> มันเกิดด้วยกาลังอุกิเหตตัณหาปาทานในอุปสนกรรม ก่อให้เกิดไปไกายจิตใจมาสายชัช่วคราวเมืม่อเวลาล่างกายขึ้นอยับสภาพจิตใจก็กระจากร่างกายไปไม่หยุดด้วยกันเมื่อล่างกายมีสภาพชนี้ในเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ยึดถือมันต่อไปถ้ามีชีวิตอยู่ต้องเลี้ยงมันมันหิวต้องหาให้กินมันหนาวขอหาของอุดมาให้มันร้อนหาของเย็นมาให้ ป่วยไข้ไม่สมบายโทรศาพเป็นการระลึกถึงเวทนาแต่มีความรู้สึกว่าร่างกายจะมีกับเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีสำหรับเราอีกในการต่อไปร่างกายอันนี้ของเราเราก็ไม่ต้องการร่างกายอันนี้ของอื่นเราก็ไม่ต้องการเราต้องการที่สุดคือนิพพานจุดนี้เป็นจุดสังขารเกลดขา ย, ยายข้อสุดท้ายของท่านโลมความละหมาดเดือดฐานสุน เมื่อกล่าถเงื่อเวทนาก็เกิดความรู้สึกว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่ได้เกิดจากอารมณ์ได้เพราะสายร่างกายเป็นเหตุถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ทุกขเวทนายอย่างนี้ก็ไม่มีสุขเวทนายอย่างนี้ก็ไม่มีความไม่สุขไม่ทุกข์ทีมันเกิดชั่วคราวขึมาเป็นผีหลอกก็ไม่มีเพราะอะไรกาถ้าเราไม่มีร่างกายน้ำหมายคืนิพพาน เตสังมูปัสมโมสดโคอิขข hey, ปันสกุลไทยคแล้วนะ้าปันสกุลชันในลงคนละเตสังมูปมมัตมโสดโ ข, ขทัางแปลว่าการเข้าเคยไม่มีร่างกายเนเป็นสุขนะนี่ยนะการระับร่างกายระงับระงับร่างกายได้มันเป็นสุขเขาแปลพูดจอจเข้าใจเข้าใจคําว่าระงับร่างกายใช้ได้ไหมายว่าไม่มีร่างกายอย่างนี้ต่อไป ถ้าไม่มีร่างกายที่มีท่าสีเรามีร่างกายที่เป็นทิพย์อย่าเทวดาก็ดีร่างกายที่เป็นทิพย์อย่างก็ดีย่อมมีแต่ความสุขแต่ความสุขเทวดาและฟงไม่ยืนงนานสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่จุดติแต่ความสุขที่แน่นอนก็คือ น, นิพพานทั้งแต่สังฆุประโมตุโขก่ข อ, ข อ, อนนีการเข้าไปสนบกานนั่นสึเป็นความสุขพระพุทธเจ้าหมายถึงนิพพาน เพระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนจะได้มาหาติฐานนสุดรกร็ตามก็มาถ่ายกออ็ตามของพระเจ้าเนี่ยท่านไม่ขัดกันนะแต่ว่ามาหาติฐานนสุดท่านสอนย่างไวไม่ทธิบายถึงระดับของชานระดับสมาธิให้เริ่มทธรรมิปัสนาญาณลุกสมถธิพร้อมคณิกาสมาธิเลยเป็นสุขก็จะโกอย่างเดียวเป็นขอญาตโยมพุทธบริษัท อนจะมาถามให้เข้าใจสามีประคำสอนพระเจ้าไม่ขัดกันวันนี้ขบัขรดาญาติหลวงพ่อจิตต์เพื่อนขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าท่านจะปฏิบัติขั้นไหนประกามเยริมนาปานสติหนึ่งเาไม่ใจเข้าออกสองกายอตานติคือร่างกายเป็นทุกข์ด้านกายสุขปกด้านกายเป็นนิจังไม่เที่ยงทุกขันเป็นทุกข์อนตาสลายตัว แล้วก็ร่างกายไปเกาอวปเลี้ยสีทธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันเป็นมีแต่ความทุกข์เป็นเีความสุขเราไม่ต้องการร่างกา ย, ย, ากายกอย่างตัดร่างกายตัวเดียวเป็นพระอรหันได้ตอนนี้ไปวนยยันใยญาติชนมือเพื่อไปสัจฉลายตั้งใจสมาธรรมกรรมฐาน